คือเรียกว่าจ้องต้องสามารถจัดเรียงความสำคัญอันดับ 1, 2, 3, 4ให้ได้อันไหนคือประโยชน์โลกนี้อย่างของเราอย่างแท้จริงบางทีเนี่ยหลายๆอย่างไม่ใช่ประโยชน์โลกนี้เลยสิ่งไม่ใช่น้อยทำลายประโยชน์ในโลกนี้ตัวเองแบบเนินดที่เรียกว่าเห็นเห็นเลยหันไปหายาเสพติดเป็นต้นการบันเทิงบางประเภททาลายประโยชน์โลกนี้ตัวเองอย่างสิ้นเชิงเลยเนี่ยนะ การท่องเที่ยวเริงรมทั้งหลายในไม่ใช่น้อ ย, อยๆเลยที่ทําลายแม้กระทั่งประโยชน์ในโลกนี้ครอบครัวก็เริ่มเดือดร้อ น, นมีปัญหาทั้งแต่ระดับครอ บ, บครัวมีปัญหาในที่ทํางานมีปัญหาทั้งในชุมชนตลอดจนถึงมีปัญหาระดับชาติเนี่ยนะก็มันเกิดจากแม้แต่ประโยชน์ปัจจุบันเห็นเห็นเขายัางไม่รู้เลยเนี่ยนะบางคนเขาเรียกว่ามีเงินเดือนจริงๆอ่ะถ้าแบ่งเฉลี่ยเป็นมันก็ใช้ตั้งหัวจรถเดือนได้แต่ปัญหาว่ากลางเดือนมันหมดแล้วทําไงต่อกันเนี่ย นะบางคนก็บอกว่าใช้เป็นรายปีบางคนก็แล้วแต่ว่าบริหารได้อย่างไรชั้นใดก็ดีเนี่ยนะนั้นชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้เราควรจะทําอะไรทีนี้แบ่งมาบอกว่าแล้วเรามีเวลาพูดอีกทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดทั้งชาติเนี่ยเรามีสิทธิ์พูดอีกกี่คําำมาคํานวณเลยนะเอาคือเรียกว่ า, ม า, ม, ามาวัดกันเต็มที่เลยแหละเรามีสิทธิ์พูดอีกกี่หมื่นคําแล้วพูดถึงใครกี่คําเอาแบ่งให้ใครกี่คํา แบ่งให้เรื่องอะไรกี่คํากี่คํากี่คําให้พระพุทธรองคําว่าพระพุทธเจ้าได้พูดทั้งหมดกี่คําแล้วก่อนตายคิดถึงใครดีกันเนี้เอา้าคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไหมเฮ้ยหลอกตัวเองก็ชัดเลยบางทีกันน ะ, ะถามทําไมก็วันหนึ่งพูดได้แค่สองคำมั้งอารหัง่องนอนกับตื่นนอนเนี่ยนะก็มีอยู่สองคำเนี่ยแล้วถามว่าแล้วก่อนตายมันจะคิดได้เหรอเนี่ยนะมันนิดเดียวขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูถ้ามันบอกมันบ่อยกว่านั้นล่ะ แล้วบ่อยกว่านั้นเนี่ยบ่อยแบบไหนบ่อยแบบเลื่อนลอยหรือเปล่าถามว่าทำไมทำไมจึงพูดอย่างนี้เพราะไม่ใช่น้อยเลยพระภิสุที่ท่านบวชเข้ามาบวชเป็น1ิปีเนี่ยสวดมนต์ได้อะไรได้ ค, คล่องแคล่วเนี่ยตอนหลังศึกไปศึกไปในที่สุดอิติปิโสยังจำไม่ได้เลยแบบนั้นเถอะเมื่ออิติปิโสจำไม่ได้ก็แปลว่าแสดงว่าที่สวดค่อนข้างเลื่อนลอยเมื่อจาไม่ได้ เราพออายุมากระดับหนึ่งแล้วมันจำไม่ได้เลยลืมไปหมดเลยเลอะเลือนๆือนเพราะฉะนั้นคนที่เรียนธรรมะบางทีก็ลักษณะเดียวกันบอกตอนนี้เลอะเลือนหมดแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะบอกว่าหลายๆแห่งเนี่ยพอจากไปสักปีหนึ่งเวียนกลับไปใหม่เลอะเลือนหมดแล้วเนี่ยนะไม่เหลืออะไรแล้วว่างั้นกุศลไม่เจริญแล้ว บอกว่าทำไมมันน่าสงสารขนาดนี้เราก็พยายามจะแบบพยายามคิดในแง่ดีเข้าไว้อะนะเออเขาจะเจริญเขาจะเป็นบุญเป็นวาสนาของเขาชาตินี้เขาอาจจะได้ดิบได้ดีหรือชาติต่อไปชาติหน้าแต่ยังไงมองมันก็มองเห็นแต่ความเสื่อมมันนะหวังว่าเออกินยามเม็ดนี้ไปเผื่อจะหายเ อ, อ้ยวิเคราะห์เช็คตั้งหลายตัวแล้วมันน่าจะตายมากกว่ามันกันแต่ก็พยายามเจริญเมตตาไปเรื่อยๆนี่ยนะราก็บางทีเราก็คิดว่าเขาน่าจะเจริญในอริยศัพน์ใน พระพุทธศาสนาจะ่เช็คไปตรวจมากว่าเอ๊ะไ ม, ไม่ไม่น่ารอดเนี่ยนะก็เอาเป็นวาสนาไปก็แล้วกันเนี่ยนะอีกหมื่นกลับก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะถ้าจะไปนไะอ้วัตตะมัน ก, ก็วนอยู่อย่างนี้แหละนะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งถ้าเรียนปฏิจจสมุปบาทให้ดีๆเนี่ยนะเรียนปัใจจัยให้มันดีแล้วมองทุกอย่างเป็นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะมองแล้วก็ให้เห็นระบบของสังสารวัฏทั้งหมดในวิถีชีวิตเหมือนกับเรามองเครื่องจักรทั้งเครื่องเลยเนี่ยนะระบบเฟืองทั้งหมด มองเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็มองการเชื่อมโยงทั้งใกล้และไกลเนี่ยแล้วก็มองความเป็นไปทั้งหมดจากภายในภายนอกทั้งภายในตนของของคนอื่นถ้ามองละเอียดเท่าพระพุทธเจ้ามองแล้วจะรู้เลยว่านี่นะว่ามันอันตรายขนาดไหนในสังสารวัฏเนี่ยนะมันอันตรายมากๆเลยเมื่ออันตรายมากมากพอองศ์จึงตรัสอยู่คำเดียวก็คืออย่าประมาทนะอย่าประมาททีนี้เมื่อไม่ประมาทในท่ามกลางมันเยอะแยะอย่างนี้ไปหมดเอาอะไรเป็นหลัก ถ้าเราจะถือเอาเป็นหลักถือเอาอะไรเป็นหลักเนี่ยนะเขบอกถือเอาศรัทธาที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละเป็นหลักเรียกว่าสมาทานศรัทธาพระพุทธเจ้ารับรองว่าสุ ป, ปะพุท ธ, ธกุติคนโรคเรือนเนี่ยนะตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาววดึงเป็นเทพประบรูปงามที่พระอินยังเกรงใจบางั้นเถอพระอินยังต้องหลบให้เลยอะ่ะถามว่าทําไมเพราะสุ ป, ปะพุท ธ, ธกุติคนโรคเรือนคนนี้เนี่ยสมาทานศรัทธา คือเขาถือเอาศรัทธาเป็นหลักถือเอาศรัทธาที่แต่ไม่ใช่ว่าศรัทธาเนี่ยแ ม, ม, ม่แบบว่ศรัทธาอะไรนะอ่าไม่ใช่ศรัทธาเรียกว่าศรัทธาใจง่ายพระพุทธคุณพระพุทธคุณก็ไม่เรียกชื่อพระองค์นะรู้คุณของพระองค์ก็เรียกชื่อพระองค์คนละอย่างกันมันก็ต้องรอบรู้ในพระพุทธคุณทั้งหลายทั้งหลายแล้วก็คิดถึงระลึกถึงพระพุทธคุณมั่นคงในพระพุทธคุณเรียกว่ามีศรัทธาถือเอาศรัทธาเป็นหลักเนี่ยนะถือเอาศรัทธาที่มีในพระรตนะไตรเนี่ยเป็นหลัก นี้ต่อไปศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลเราต้องละอะไรบ้างเราต้องเจริญอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องละละอะไรสิ่งที่เราต้องเจริญเจริญอะไรรู้สิ่งที่ต้องเว้นแล้วก็รู้สิ่งที่ตนต้องปฏิบัติเนี่ยนะในเหตุการณ์นี้ในเรื่องราวขณะ น, นี้เวลานี้ถ้าเราจะพูดพูดอะไรจึงไม่เป็นคําพูดที่ชัว่วถ้าเราจะทําทวนทําอะไรที่ไม่เป็นความชัว่วที่ไม่เป็นความผิดก็เรียกว่าเป็นค น, คนมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์มาก เป็นคนที่ ไ, ม, iffe, ไม่ใช่เบ ล, ล์ไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเขาเรียกว่าทุกวินาทีนี้มีประโยชน์หมดนะชีวิตทุกวินาทีเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยนะเขาเรียกว่าใช้เวลาไม่เปลืองใช้เวลาชีวิตอย่างแต่ที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดเนี่ยนะใช้เวลาชีวิตอย่างคุ้มค่ามากๆเลยที น, นี้ต่อไปเนี่ยนะเมื่อถือเอาศีลและสุตตะศรัทธาศีลสุตตะแล้วเราเข้าใจอะไรบ้างแล้วเนี่ยนะ เข้าใจอะไรบ้างแล้วคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องการให้เราตรัสรู้อะไรแล้วเราเข้าใจสิ่งนั้นแค่ไหนพระพุทธเจ้าต้องการบอกที่สุดก็คืออริยสัจทั้งหลายแล้วเราเข้าใจอริยสัจขนาดไหนอันนั้นจำได้กับเข้าใจนี่มันไม่เหมือนกันอันนั้นสุตะนี่ทั้งจําได้และเข้าใจบวกทั้งเข้าใจและจําได้ แต่ถ้าบอกว่าถามว่าเข้าใจกับจําได้ไหนดีกับกันมันก็ดีทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าจําได้ด้วยเข้าใจด้วยถ้าคนที่เข้าใจถ้าจําไม่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ไอคนที่จําได้แทบคำไม่เข้าใจมันก็ใช้อะไรไม่ได้มันก็บวกทั้งสองอย่างนั่นแหละเนอะก็จำอริยสัจให้มันได้ก่อนนะพร้อมทั้งรายละเอียดที่นี้เมื่อมีสุตตาล้วจัจคะเราสละบาป อ, อกุศลธรรมทั้งหลายได้เท่าไหร่นี่นะคำว่าสละในที่นี้หนึ่ง อย่างเช่นที่เขาบอกว่าความโลภที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยนะความโลภแปลภาษาไทยว่ามันหิวหิวหิวหิวเนี่ยนะมันหิวมันร้อนรนกระวนก歪มันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอกวนเรียกว่าเคยหิวน้ำไม่ค้ายแบบนั้นนะหิวตลอดเวลาได้เท่าไหร่มาก็ไม่พอเราว่าอะไรนะถ้าหิวแบบกระเพาะโตๆหน่อยก็บอกว่ า, าสิ่งที่ตัวเองได้มาก็เหมือนได้จิบจิบนิดเดียวเนี่ยนะก็เรียกเหมือนว่าหิวข้าวมา3มวันสามคืนนะเห็น เรียกว่าสิ่งที่ตัวเองได้มาก็เหมือนข้าวเม็ดเดียวมันไม่อิ่มซากทีเน่ยหิวลักษณะนั้นในลักษณะของโลภะเห็นโรคก็หิวรูปเห็นเสียงก็หิวเสียงให็รู้กลิ่นก็หิวกลิ่นเนี่ยต้องการไปหมดเลยเนี่ยนะโดยที่เรียกว่าแบบไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการคําอธิบายไม่ต้องการอะไรสักอย่างรู้แต่ว่าอยากอย่างเดียวต้องการอย่างเดียวสูบมาเป็นของเราหมดที่เรีว่าใจเป็นประมึกไปหมดเนี่ยนะสูบม้วนเข้ามาหาตัวหมดเนี่ยนะแล้วก็ทีนี้ต่อไปแล้วก็สะละ ความหิวอิ่มตัวบ้างแค่ไหนแล้วเนี่ยนะคือใจจริงๆแล้วหายหิวหายกระหายแค่ไหนเอิบอิ่มกายเอิบอิ่มใจเพิ่มขึ้นขนาดไหนเนี่ยนะเรียกว่าจากคะแล้วทีนี้ต่อไปความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความรําคาญเป็นต้นเนี่ยลดลงขึ้นบ้างไหมเนี่ยนะหมายถึงว่ารู้สึกเย็นอกเย็นใจขึ้นบ้างไหมรู้สึกเออค่อยสงบร่มเย็นหน่อยเนี่ยนะมันร้อนเนี่ยคนระับแบบแยกออกเลยนะว่า ตอนเร้าร้อนอยู่กับบาปอากุศลเป็นอย่างไรแล้วก็สงบร่มเย็นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเครว่าแยกเวลาตากแดดก็อยู่ในร่มเป็นเหมือนกันเถอะใครว่าตอนที่มีโทสะก็เหมือนกับตากแดดเหงื่อแตกซิก ๆ, ๆๆๆเนี่ยนะใครว่าท อ, อกุศลจิตเจริญเมตตาเป็นต้นเจริญเนี่ยนะกำจัดโทสะได้ก็เหมือนอยู่ในสถานที่ที่มันร่มเย็นอยู่ใครว่าร่มใส่ร่มโพร่มไส่ที่สงบเย็นสบายเนี่ยนะแล้วก็ฉลาดอะไรขึ้นบ้างแล้วเนี่ยนะ ก็อย่างที่ว่าปัญญาเติบโตขึ้นบ่อยไหมฉลาดอะไรขึ้นขึ้นบ้างไหมที่เรียกว่าซับคือปัญญาเนี่ยปัญญาเราเข้าใจอะไรแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องสมาทานถือเอาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักเลยเนี่ยนะฮะเราได้มากได้น้อยก็วัดกันตรงนี้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะใครศึกษานานศึกษาไม่นานบวชเมื่อกี่ปีไม่กี่ปีบวชช้าบวชเร็วอายุมากอายุน้อยเขาไม่ได้ถือเอาตรงนั้นเป็นประมาณเขาถือเอาว่ามีศรัทธามากไหมในพระธรรมอะไร พระพุทธเจ้าจะถามว่าตั้งแต่อายุห้าขวบหรือเจ็ดขวบบวชเข้ามาจนถึงพระมหาเทระอายุแปดเก้าสิบบวชเนี่ยนะที่ที่บวชมานานขนาดนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญว่าใครมีศรัทธากันเนี่ยนะถ้าพูดถึงประเด็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาระฆามีปัญญาเข้าวัดกันที่คุณธรรมแต่ถ้าหาว่าจะเคารพกันนะนะก็เคารพกันตามลําดับอวุโสพันเตเขาว่ากั้นแต่ถ้าถือเอาสิ่งที่เป็นสาระคือเอา คุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจเป็นสาระศรัทธามากไหมวิริยะมากไหมสติมากไหมสมาธิเป็นต้นเนี่ยมากไหมศรัทธาสินสุตาจาระปัญญาเจริญมากไหมเพราะว่าเราเราก็รู้ว่าเราเนี่ยปรารถนาเพื่อจะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่มีทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้เราก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้หรอกยังเอ้ก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ถามว่าทําไมจึงไม่พ้นจากทุกข์เพราะเหมือนกับเหมือนกับคนอยากได้อะไรสักอย่างถ้าไม่มีเรียกว่า ไม่มีสตังเซื้อมันก็ไม่ได้ถ้าไม่มีอริยทรัพย์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีอริยทรัพย์เซอร์มมนุษย์สมบัติไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอริยทรัพย์ซื้อสวรรค์สมบัติไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอริยทรัพย์ซื้อเนปพานสมบัติไม่ได้ก็เรียกว่าสมบัติของผู้มีบุญอย่างที่เราสาธยายเมื่อกี้ใช่ไหมปฏิสัมพิทาวิโมกอ่ะ น, นะอภิญญาวิชาวิมุตติสมบัติทั้งหมดเหล่านั้นก็ล้วนแต่เกิดจาก บุญญาณิธิบุญญาณิธิก็คือศรัทธาศินสุตะจากข้าปัญญานั่นแหละบุญญาณิธิอันนี้เราสั่งสมไว้เยอะไหมมากไหยแต่ว่าสั่งสมที่ไหนที่ใจของเราเราก็ต้องถามใจเราให้มันบ่อยๆเนี่ยนะเพราะว่าจะเจริญหรือจะตกต่ำดูจากใจเราก็บอกเราได้แล้วว่าคือใจของเรามันบอกได้หมดนะนะก็เปรียบเหมือนร่างกายสุขภาพดีหรือไม่ดีตรวจค่าของเลือดวัดชีพประจอความดันเป็นต้นเนี่ยนะ ตรวจเลายๆอย่างเช็คในร่างกายตรวจสอบเบ็ดเสร็จก็รู้แล้วว่าคนสุขภาพดีหรือไม่ดีฉันใดสภาพจิตของเราทั้งหลายก็ตรวจเช็กด้วยอริยทรัพย์เป็นต้นเราก็รู้แล้วว่าฐานะทางอริยทรัพย์ของเราเป็นอย่างไรจเจริญขึ้นแค่ไหนใกล้พอที่ จ, จะเรียกว่าเจริญเทวตานุสติได้ไหมบอกวิธีจเจริญเทวานุสติทํำยังไงก็บอกว่าเราเนี่ยมีศรัทธาพอกับเทวดาวางานเถอะคิดง่ายๆเลยนะนีย พูดภาษาไทยว่าเรานี่มีศรัทธาเหมือนเทวดาชั้นจาตุมเทวดาชั้นจาตุมเขามีศรัทธาวิริศธาหิริโอตปะโสตาจาคะาปัญญาเนี่ยนะเราก็มีเหมือนกับเขานั่นแหละต่างอะไรกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกจาตุมก็ไม่เป็นเรื่องยากอะไรสำหรับเราเพราะเทวดาเหล่าใดที่อยู่ในจาตุมประกอบด้วยศรัทธาสินสสตาจ่าค่าปัญญา เราก็มีแปบลบว่าเราเลือกจาตุมได้เลยสบายๆเนี่ยนะเขาบอกว่าการเจริญส ม, มะถะโดยเฉพาะเจริญเทวตานุสติเจริญเพื่อให้ปีติสัมโพชงมันเกิดรู้ว่ากำลังซื้อของตัวเองเนี่ยซื้อจาตุมได้เนะรียามีอริยทรัพย์พอที่จะซื้อจาตุมก็ได้หรือ ปราทานาดาวดึงก็ได้ปราทานายามาก็ได้นิมมานรดีหรือว่าดุสิตนิมมานรดีปรณิ ม, มิตาวสวัสดีกําลังมันมีขนาดนั้นเรียกว่ากําลังอริยทรัพย์มันมีขนาดนั้นเปรียบเหมือนว่าแบบเป็นคนมีฐานะเลือกซื้อบ้านใช่ไหมเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะจะเลือกบ้านชนิดไหนก็ได้เพราะารู้ฐานะเป็นจริงของตัวเองชอบบ้านแบบไหนบ้านเดียวบ้านคู่บ้านแฝด บ, บ้านตึก3ชั้น5ชั้นสิชั้น20ชั้นกี่ชั้นก็ ก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเพราะเชื่อมั่นว่าตนมีกำลังทรัพย์ฉันใดโอ้คนอยู่บ้านนั้นเขาก็มีทรัพย์เท่านั้นเราก็มีเห็นบ้านนั้นเขาก็มีทรัพย์อย่างนี้เราก็มีฉันใดถามว่าเจริญอย่างเงี้มานะใช่ไหมบอกไม่ใช่เขาไม่มีเจริญที่ไหนคมคูตัวเองดูถูกตัวเองเหยียดย้ำตัวเองเราไม่มีเราคําสอนพระพุทธเจ้า ไอ้แกมันเร็วย่างงั้นก็ไม่มีศรัทธาหรอกเดี๋ยวกว็เจ๊งเดี๋ยวกว็ตกนรกเดี๋ย ว, วเขาไม่มีหรอกเขามีแต่ชมชมอนุโมทนานะเออเก่งนะมิลทิตาด้วยนะเป็นต้นเนะเี่ยนะเรียกว่าชื่นชมตัวเองได้อะนะชื่นชมตัวเองได้อนุโมทนาต่อตัวเองได้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมที่เจริญได้อย่างแท้จริงคือมั่นใจว่าตนเนี่ยเป็นคนเจริญเพราะมีอริยทรัพย์ จนคิดได้ว่าคนที่มีอริยทสัพย์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะเรียกว่ารู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือมีศรัทธาศินสุตจาระค้าปัญญาเนี่ยเมื่อรู้ว่าตนมีคุณธรรมอย่างนี้รู้เลยเรียกว่าอัตตันยูรู้จักตัวเองดีและเกี่ยวข้องกับใครรู้นะว่าเขามีศรัทธาแค่ไหนคนนั้นมีศรัทธามีศินมีหิริมีโอตปะมีสุตมีจาระค้ามีปัญญาเนี่แค่ไหนคิดได้ว่าเป็นปุขลันยูคิดได้ว่า อัดตันอยู่ปุคลันอยู่รู้จักตัวเองเลยว่าเราเป็นยังไงรู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงใช่ป่ะรู้เขารู้เราว่างั้นรู้เรารู้เขาเพราะเราคือวัดกันที่อริยทรัพย์ใช่ไหมรู้ว่าเออเนี่ยศรัทธาวิริยะของเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเนี่ยนะก็ตรวจสอบอย่างสมมติว่าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากหรือน้อยหรือว่าเราเราคุยกับคนอื่นเราก็รู้แล้วเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากหรือน้อย เราน้อมไปเพื่อเจริญกุศลหรือไม่ก็คนที่เราคุยด้วยเขาก็บอกเราหมดแล้วเนี่ยนะถ้อยคไม่กี่ประโยคที่เขาพูดก็บอกหมดแล้วว่าเขาน้อมไปหากุศลจริงหรือไม่ทีนี้ต่อไปเนี่ยก็ตรวจอีกว่าถ้าหากว่าเรามีอย่างนี้แล้วเหตุมันคืออะไรทำมันอยู่อันนี้เป็นเหตุและอัตถันอยู่ประโยชน์อันเนี้ยผลของของการมีทำอันเนี้ยคืออะไรก็จะรู้เหตุรู้ผล ถ้าเหตุคือมีศรัทธาศินสุตะจาระฆะปัญญาเป็นอย่างนี้ผลคืออะไรบ้างเนี่ยนะก็แยกเหตุแยกผลเนี่รียกว่าอัดทันยูธทำ ม, มันอยู่แล้วก็รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรียกว่ารู้ความแตกต่างกันก็เรียกเป็นผู้ที่มีสัพปริสธรรมเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัพปริสธรรมผู้ที่มีสัพปริสธรรมอย่างนี้ยังไงก็เจริญเพราะผู้ที่ศึกษาคําสอนเนี่ยศึกษาให้ดีๆจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเดียวตลอด ก็อย่างที่ว่าทั้งเมื่อเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวทุกข์กับความดับทุกข์จะพูดในแง่มุมใดก็ช่างเถอะให้รู้เถอะว่าเป็นคําสอนเพื่อบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์จะเจริญคุณธรรมเหล่าใดเนี่ยนะนี่คุณธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราต้องไม่ลืมเนี่ยนะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายเป็นต้นแล้วเนี่ยนะเดือร้อนแน่ว่างั้นเถอะ สรวว่าเดือดร้อนแน่เพราะนั้นทำยังไงเราจะเสริมคุณภาพใจให้มันเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เวลาทําใจอีกสวันอย่างไรจะเกิดเรื่เนานะให้เวลาทําใจจากนี้ไปเย็นเผื่อศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะเจริญโอ้ให้เวลาทําใจนะไม่ต้องไปทําเรื่องอื่นด้วยนะให้เวลาทําใจอีกสวัน3เดือน3ปีดูจะไปถึงไหนเนาะได้ถึงโสดาบันย์ไหมทาใจให้เป็นโสดาบันยมครับางคนก็บอกทําได้ด้วยเหรอทําได้สิ เขาใช้คำว่าทำนะสมัยพุทธกาลเรียกว่ารมโยนิโสมนสิกาเรียกว่ารำโยนิโสมนสิกามันอยู่ที่การกระทำทำใจให้มีศรัทธาได้ไหมทำใจให้มีวิริยะทำใจให้มีสติทำใจให้มีสมาธิแต่เราต้องเข้าใจว่าทำของพระพุทธเจ้าคืออะไรแล้วใจของเราคืออะไรแล้วทำใจตัวไหนให้มีคุณธรรมทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าสอนทาใจได้ทาได้ถ้าทำไม่ได้ พระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่รู้จะสอนทำไมเนี่ยนะก็คือพระองค์ก็บอกพระองค์สอนอยู่สูตรนบอกว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีผู้ปฏิบัติตามได้หรือปฏิบัติตามแล้วไม่ดีจริงอะนะไม่รู้จะสอนไปทำไม บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ว่างขนาดนั้นเลยเลรเนี่ยนะคือคือไม่เหมือนกับเรื่องเทพนิยายในชะ่เทวดาท่านว่างก็เลยลงมา ก, ก่อกวนโลกมนุษย์วุ่นวายแล้วก็กลับสวรรค์อันนั้นโอ้เทวดานั้นว่างมากแสดงว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยคิดเนี่ยทำไมท่านเหงาขนาดนั้นเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านฉลาดมากเนยนะท่านรู้เหตุรู้ผลว่าช่วยเหลือสัตว์อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรแต่ก็ยังยังคิดในใจเสมอว่าจะช่วยเราสําเร็จไหมเนะ้อะ เอะพระพุทธเจ้าช่วยเราหรือว่าเราช่วยตัวเองกันเนี่ยเอาเอ า, เอาไงกันแน่พระพุทธเจ้าจะช่วยเราสาเร็จหรือว่าเราจะช่วยตัวเองสำเร็จเนี่ยเอาไงดีเนี่ยนย